ชาวใลงพอยังบอกกูบายว่าเห็ดใหม่ของงูไม่ไทลงพอเรื่อยๆว่ะมันขึ้นหลงพอกลับขึ้นมาจากทางงพวัขึ้นมาแล้วไปแหวมันในเล่ยขึ้นตะกุิีลงพอเห็ดมูเลี้ยมตัวบ้ารหญ่รัวเลยว่สามไมกว่าในก็แย่แล้วะทอแขงลงพอนอนไปปวดก็ปวดงูแต่ยจะมาไินยงมาเด้ลน หัวมันเสีกันในต้นมเทียนเ о ียนเหี่ยวแล้วไปหัวมันไเราใหญ่เลตัวมันกลัวมันโผล่แขนมันพอไปมาโอ้พอเขาดินผาแต่ละาบ้าบ้าบไปบอกมูบบอกมูมัดคงอยู่สลาอสลร์ขึ้นไปใส่ไปชูเจ้าสององค์จะจับไหนบ่แต่ล้มฟอกบอล มอไดแด้วร่าังไปงเกาะอทำท่าท่ามือวกอ่จบได้ปม่ก ว, วนี้วโว้ยมอไดแล้วลงเกาะเอามอไดไปอาไว้นี่แหละวะการจับ้ ว, ว, บ ว, วส่สได้วะเอาบ้้วก้้อมอไดหรอ่ไม่หน่อยติดผูก่กที่บได้อ่าหน่อยถึงสามหอ่อที่จับม่ตัวนี้ได้วิธีจับมอบด ใช้เชือกคลองข้อมันโผล่องข้อก็ต้องจับข้อก็ต้งจับแขนแต่ผู้หนึ่งก็จะต้กล้าลงไปโดไปจับหางเร็วแล้วก็ผูึจับข้อผู้หนึ่งจับหางอย่างใดใดก็ไม่ได้ที่จับข้อมันมองเดียวเดียวมันเดียวหัดเข้าไปนะโอยไปที่ไปซอยไป่เอเออแลนเป็นคนละทิศคนละทางูเือเกียวเลย้แลตัวนั้นเสียอย่างก็ตง บนกำลังกันลังเอาเพียงพ่อกอนยอาที่สูงกับมูเนี่ยบรรลุขณะที่สูกับมูเขาก็ต้องบนกำลังเอาเหอนกันเนี่ยแล้วขณะที่เขาไปทำการทำงานนั้นทกันะบนกำลังจ้าของกัในพอเฮฟะสอนโมบได้กำลังบุปาบุปตั้ c แต่กลับที่ไปบอกก่ไกล ที่ว่าตุ่มกระไดโซจะมาเห็ดไม้ของอีกใช้เวลาน้าเด็กในอ้อมกระตอกปล่อยมันไปสะ ไปเลยตาต้องเลือบบนขานต้องแผนไปเลไปไเห็นตาเงมูมันโมาเป็นมูมันไหสองมันมีมูมไปอตอนหนึ่งไปแต่จะมาสองสองก็ได้มูจะมันเปลี่ยวไปเปลี่ยวตรงไหวเลอมูจุ่มกับมูทำทานมูทำทานมูมูเป็นกขอเข่าๆนะก็มูทาน แล้วมันขึตัวมา เ, เามานะี่ยเ ว, วมากเลยขึงวงงานตับลมมาหาเขาโดนแนั้นเรวทำทานเลยกันขมาในตื่นกนก็ไปพุ่ง อ, อารพุงเขามเรนะมัดระวังขอในาอ ย, อาอยในที่รนะะวังกั น, น, นที่สงกว่าปานาปี้มันพุพงก า, าห า, หน า, นา่นต่าาน ที่ิมตัวเามาานั้นไปแล้วเดินรอบกำแพงเขาจะต้องเลือกตาเบิกข้ากกำแพงมอยู่เสมอนะไปพราะมันดูหันมันมดมองที่ไปเลยท้ามังยมือไมันเกิดโดดพงออกมาหาเอาได้ง่ายๆประด็นมูตรงหางหนึ่งมูสามเรลี่ยมนลตะวันตาชัยอะไรหมูสามเรี่ยม เขาวาเดเล็มันขอบกันปลายข้ามันคตรโครจะมาหากินไปธรรมดากระดือโมออเปีเปียงิดเป็นภยันนภยเนี่ยคือหนักสังเกตพวกอยู่ป่าหรงพงภัยเนี่ยเป็นที่สอนกันที่บอกกันมาแล้วไปอมเปีรงทิ้งงอย่งมเปียงมนเลือดในเห็ดชิ้นหนึ่งแต่ที่เราไม่แป่ขอบมันบดได้เลยเลีล้ยเราไปเลี้ยวมายัางมันื่้นที่ไน ให้ระมัดระวังเอ e ยงอั น, นี้ก็คืออยู่ริบบะต้เรียนรู้เรื่องของตาสิ่งที่ันตราย ต, ตายแต่ขาเรียนรู้นะ้องพาบาลาถมันเขาได้เียตกตรงไเขาไมได้เรตรเสียบมันท้าหแล้วกันขัด้เปียกมัเลยห้ย า, าแล้วภษายงยา ม, ามัดตัวยาายาขมันสงขเขจไป แต่อ mm ื่นมันตัวใหญ่ไล่ห mm ้องตัวใ a ญ่ตัวใหญ่ตัวให่ตัวาวตัวใหญแต่ว่าขงูเหลืองเนี่ยให้ระวังคนออกไปเพราะว่ามันตั้แต่หัว่างของมันแล้วเกี่ยวคนใดก็แ้ไปเกี่ยวคนใดอันนี้อันตรายแตให้ระวังเด็กงูเหลืองแต่งูเหลืองอืนบอกพวกเกี่ยวลงูใหญ่ไปเมันกพวกเกี่ยวังตอ่างมีกจะกแลนีลู้เาูามเ่ะร มันจบมันกลับเล้กันนี้มันไปตีนี้มันไปแต่คู้เรืองบอกันตัวใหญ่กว่ามันกลับมั น, นไม่ใช่จริงใดแลวมันจะขาบกลุ่มที่ขับ ข, บข้ับแข้ครับ มือเหลืองแต่ลง ม, มามจะพบมีผิดมือเลยกจะพบมีผิดแต่ว่ามันแข t งแรงมากมัได้หักบรนแต่ว่ากระดูกหักตลอดขมูซอยพทันกระต่ายขมูซอยทันด เี่เปียตจะรัดไปไปดึขาดึงเนื้อตัไม่ยางก็คุกก่อนน่อยลงไปให้มันคลายมันลงไปนี่เลยต้องมันๆะอนจับไปแต่ว่าทีอย่างไรก็ตามก็คนโราณมาเลยขันหมูเขียนระยะอะไรพวกันหม่ที่เแ่ใส่มันไปยขอไปหพมากัดไปก็มูระยะมัน อย่า o ผมไปเชี่ยวมือถึอ่ะประเด็นเรา e ลายคนแถบนั้นเป็นผิดสมรรถมันแถบนั้นยังเวลาคนโบราณเขาบอกว่าการมันงูเกี่ยวการมันปีนแนวเทือกเขาการมันพอจะกัดเป็นคมกัดตัวนะั้นกัดงูนะวายไม้ยาวหยาวนั้นหรออย่างคนโบราณบ้านเราไปอันนี้หลวงพว่อก็เคยบอกว่าอย่างนี้คนโบราณเขาบอกว่ิชาอนทือกเขการมันมัดแนสูงในแเอาเชียวกัดเนดูนัี่เตรีภยภัย สรุปแล้วก็คือเว้นภยน า, า, า, รรยนายในบรรตาสงสารการเบียนเบียในบรรดาสงสารมันจะต้องพบต้องเจอต้องเห็นบางทีเราไปเห็นวกวางงูมันกินกับแกมกินริง ต, ต, ตกตกแกกินกบกินเขียบมันกินมมันทั้งตัวลงไป เ, เบืองเบิ่งแ้จะอิดเสียเอียนเขาเห็นหรือไหม้ายมันเมือกมันข่าลงไปเห็นแล้อิดสเสยเียน เดี๋ยวมันกัเล็ดก้ออะไรก้อนงแล้ววันนี้นเนีนเเ่ยวมันกันเล็ดก้อนอะไรก้อนพออาหารขอนงมันมันไปเดี๋ยวมันดูดยุงขยันขยันนี่แหละคือมันมพูพ่ง สงอันเ น, นส่งสินไปสู่ชวนแต่อันี้นส่งอิตโิพลาไดขันมากกว่านั้นก็คือเขาสูนิพัทตัดิเลพระขันตัสวสัมโหะเขาสูนิพันค์ันลองลงมาก็เป็นพง สู่พมลชุดทวาวคาสันชุดทวารค่าสันเอกวิาอาตปาทุจรัสทุทสเิียกนิธาจะหมดทองหาฉันเป็นที่อยู่ของปานาคาพันก็ขึ้นไปหอ ด, ดพุ่มพันก็ไปชมหลักคิดเหตุประมวลไปไภาวนาต่ออีกวันหนงไปพออยู่ในเมือมนุษย์ พสดามีสามชันมีสามระดับพัสดบันเกิดเดียวเกดีเกิดสามชันเกีเกิดเจชนเป็นเป็นอกเป็นบาลีาเอกัพพชีเกิดชาติเดียวโรังรังเกิดสามชันสัตตกขตประมาณเกิดเจ็ดชั้นอนี้คือพัดาบัน ขึ้นไปโชสวรรอั น, นี้เป็นพระริยบุคคลมีอยู่สีจงโพเป็นพระภูมิในนอนขุปกตกตัมขึ้นมาโชดาบันขึ้นไ ป, ปโชดาบันพได้สเร็จรโดาบัแล้วปตกตที่่ามา้นเคเป็นจัติเานแต่ว่าเคยเป็นมนุษย์ออกจากมนุษย์กับ zona ในชาตหอกเินเดินฝ้าดำดิบบินบนใดก็ตามขั้นตายไปเลยไปสูพงพงบอกจากพงหลังจะมาเกิดเป็นหมูหม า, าตาตก่อีกก็ะไดได้ไหมอย่วพ่ายังมาทันมาตรฐานมาทันรับรองมารนดได้คือพระโวาในรับรองไดแล้วอย่าผูอประ่อตกถมนอกจากนั้นลงมาเมอแน่นอนมายถึงจะภาวนาเป็นพระสองค์เจ้าภาวนาด้ชาติในยานกระตั้งขึไปสูพงพงแต่ว่าขั้นต่ เรายัางมีอยู่เลกมากเกิดอาจจะเป็นหมูหมากาไกา่ชามางอกควากระดรเป็นมอรถกปว่าเป็นกติไม่แน่น อ, น, อนนี่อพวกสัตวกมากอะวก น, นีสงสินะไรส่งทานอะไรส่งสินสงทานอะไรส่งภาวนาปฏิบัติพอแมไวยวดคุณยัวดชาคุณความี นนส่สินันนสงทานดเจะไปสู่สวรร์สวรรค์ไม่อยู่หาหชั้ชั้นตาตุ้มยามาตวติงตุจิต า, าตอ น, นี้มาแลวัดตีเลันสว์หชั้ แ, แต่บุญ่อนั้นมีของอะไรคืคืนไปถึงชัดไดอันนี้คือคผู้สามบุเลยคันูธรรมดาเเกิดมาเป็น ชาวดาอีกผู้นึ่นะจะมาขันา่ า, าบุญทําบุญทาบาปมากุนก็ไลายบาคุไลายแต่ว่าถึงจะทาบุญลาก็ตามแต่ก็ยังคองยางไหนอยู่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ีกครับพอตยไปแล้วแต่เกิดท่าเกิดปฏิชนทีไปเลือกเกิดไหนกันผู้ม่บุมนุษย์อันนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์ขันม า, า, มามเ้าทังลำถัวตั้ดีมันไปอะไรได้เกิดความบมีเงนนะ ไปด้าันเดรงไปเกิดลดานะของเจ้ขอ ง, งไปเกิดเป็นชัติรชช่างหลังม า, มาว่าเม่มาเป็นไกขันว่าทํากันช่วงมากกว่านี้นกไปลงไปเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตคือวิญญาที่หลง้อยแมมีเปตมีหลายจะพวกว่าต่ะเปรที่ใสก่กล่องเพถึงกระตุกมขันมากกาังไปตกฝัน้กก็มีหลายลุกไม่เยอะมาก หญ่ขนาดวา้ทกรากระตุกเวทีมหานรกลกันตรกยังว่าจอตกรเวทีมหานรกนะร่ผู้ที่ฆาพอฆาแม่สิเนี่าประพันนสิอันน้นพวกันตกเวทีมหานรกตกขัตั้งมาทพูดเรื่องกรเป็นอบามพุ่งเป็นอยู่เปบนีีที่สุข สวยนึกก็รับเป็นนึกค n ดนึกคืนบุญนึก a ิดนึกคืงบุญอยากกินเขาที่อ า, านอาหารหไม่วันนึ่งคอเป็นทิพย์นนในบุญบุญสนองเลยหลายคนนึกถึงอย่างกับบุญของเขามากหาันที่โกมก็เป็นสามบุญไปเลยได้เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ต่างไปเป็นมนุษย์ข้าวปสาทอย่างที่ว่านะธรรมค้าขายธรรมะเลงชีมันขยัน และก็พร้อมบุกุศเกาเามาเกิดคุนนุนอีกน่นุนตั ว, วอ้อกันว่าพได้มีบุญเกา่าพร้อมและก็ชาินี่ก็ขยันอีแลวก็มาเกิดในสกุลที่ดีอีนเชื้อุนนุนกันเนี่ยปฏิรูปประเทศสวัสดิ์ตัวในประเทศดัสุุนบุพเพจากกระทำปุญญาตาคือด้ทาบุญไว้ด่ดีชาติมาเกิดคุนนน น, นี้ก็ืเอเป็น์่ทเป็นท่ไปมีความสุขอาหารการบริโภคกัอย่างมนุษย์ปแต่ว่ามาใรทธาธก้อดเกิด เ, เป็นสั์ที่แตกตาอย่างที่ว่าอาหารของเวดาถึงนึ่นินอาหารของมนุษย์กนันเลยแหละเหตุเป็นคำเข้าอาหาร เ, ล, เลือสัตว์แบบเหลืออย่างไม่ดูมิแล้วก็าหารของเปรต่้องโถงไมคอยได้อยู่ในกิต ก, กนรก เวัมิถูอย่างเดมาได้เรื่องการอี่วเป็นยสุบ้ที่วได้ไปิังหวัดในช่วนดิดแต่มษี่ย เป็นดูเป็นกินเห็นเป็นินสัตย์สิทธิ์ชันไปกินเนือของเขาไปกินตับกินอาหาของมนุษย์าบมากนาขยะขยะเทวดาวามาทำมไปเห็นสัตย์สิทธิ์ชันบูตสร้างินเป็นจิ t มบนกล้วยแม่ไปกินใบบัพวงสร้างหรือกินเนื้อเนอ เจคือเนเงไต็มปาเต็ม ป, มปา ก, หากหูหนาขยะขยะนีน เ, เพวกสัตวกินนีพวกงนะวนวนูกินบกินเขียดูกินงู่เหาเห็นเฮาก็ขยะขยะคือกงินลงไอมันนาติดกินงสนไี่หะมันตามมันความยามเมันงตามขันต่อลงไปเรื่อยๆได้ชีวิตขอสัวก็จะชา for it all. ไหม่ลงเนือันะเพราะนั้นผมเห็นแล้วผมก็เลยโวิบากกรของวิญญาณของสรรพสัตว์ในโลกนะและเพราะนั้นถึ่ยังให้ทำใปุโคโตกเป็นพยานมากที่ขาพระองค์เห็นนี่แมนแม่บอกลักษณะ ป, ะโปะโุโคโตกไยืนยังเลยเ อ, อเราเห็ตะทลุที่ครนต้นพธ์เราเห็นมวิญญาณหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ใส่กลับในสรรพสัตว์ทั้งหลายในลกแมน เรารับรองพระโมคคลาเหตได้ถูกต้องแล้โมคคลาเหตถูกต้องแล้วทีงเป็นเป็ดงูตัวนี้เราเพราะว่าในอดีตชาติเเนี่ยมันไปนเผากุฏิศาลาของพระพุทธยอดยไปเาศาลาของพระปัเจศพุธเจ้าเนี่ยแหละ สังสมบุญกุศลวอนี้แหะคือทาคำชังสอนของพระพุทธเจ้าบรรพวของเปิอยากมดจากว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนให้พิสูนอย่างพระพุทธเจ้าพระอันาวองแมผู้บายจาราพิสูเปิดให้นั่งภาวนาได้น่รับภาวนาทจิตให้เป็นหนึ่งทจิตให้นึ่งเมื่อทาจิตหนึ่งจิตดูระบาดจงจัดไปวันละนดิ๊กัน สเอไปมันตายแล้วมันชูนตายแล้วมันเกิดรางกายของเขากับใจอันนี้เป็นยังไงเอเบอรมันคือันนาขันนามันใจกับกายคือขนาขนมันกับคนขรถกัมันคนอนกันเมเพราะนั้นพวกได้เจ้าคนยังสอนในบ้านเล้พกผู้เจ้าให้ทานเับุคนมีทานที่ใจความกวาจะเปสู่ชุกติสวรรค์ที่นและเนอย่าง เกิดมาอาจสูงฐานเจ้าจะคงคองชูเจ้าจะมีความสุขแต่ชูเจ้ายาประมาททำทำทานเนิูเจา้าอร่วมกันสูเจ้าต้องมีสินนะต้องมีกฎระเบียบดังต่อไปนี้สูเจ้าจะมีความสุขถ้าูเจา้าผมมีกฎผมมีระเบียบชูเจ้าจะหาความสุขกะไรได้อยูร่วกันหลายคนมนุษย์หลงทรัพย์หลไหลายาติหลายภู แรงฝนทุกคนตนดูน้ำกันธรรมะสมีกฎมีระเบียบหาความสุขอะไรได้ธรรสูดูน้ำกันจะมีความสุขอต้อมีกฎระเบียบกันต่อไปนี้นยา่ากันสองอยากไปขยของกันสามให้ขลบลเมียผู้อื่นสยไปขีตัว สูดเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตรวจชินหาประกาศนี้เถชูเจ้าจะมีความสงบลมเย็นเป็นโชคอะไกันคือมธรรมสอนของบุพุทธเจ้าขามาิจารณาแมนบอกนงพอ่อแมนหเปินบันญญัติมาถึงสองพันาปขามาพิจารณาเบื่อทั้งแมนอนุนอูดเจ้าต้องการความสุขให้พิจารณาหมดเวน้นหาอย่างเงิ เดี๋ยวพวกเขารู้ว่าสินรออยนะยะจะถอยหลังเราไปตามที่จริงคือกฎระเบียบแต่กฎระเบียบคืวินัยกฎหมา ย, ยการดูรวมกันเห็นจะไหนที่มีความชมพรมเยน็นพาสุขไรทุก้าต้องการความสุขให้ปฏิบัติตั้งต่อไปนี้นะ